อีแม่บอสบายมงภาษาทางอีสานขาวอิแม่เดียวหน่อภาษาพุทายอิแม่อพอคนหลุดใหม่เลบคนหลุนใหม่เ็กหน่อยเอิอพอท่นมึงจะไปเอิญกูอีแม่กูเป็นผู้ชาย่เอ้าบักพ่อทโอ้โห่โโโโ่แกโดแกโพดลูก อย่าไปเอิ่นบักพ้อ่ะแต่คนบัวร้านเขามีแนวว่อเลยทุกลานเวยบอหรอกเป็นตยะยักหัวว่ะการมาบอ่อให้ลูกให้ลานฟังมืนมันโมเรงหัวต่อได้หัวก็ค่ายเขียดมาเมื่อวานวันก่อนวันที่สิบหก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 อันนี้ก็ะคือที่หลวงพ่อได้พูดให้คณะทายาิโยมลูกหลานได้ฟังคือสรุปแล้วก็คือลักษณะธรรมมัทธาธิบายอธิบายเรื่องพระธรรมคำสอนของพระพุธทธเจ้าพระอัตคขาพระดีกาพระอนุดีกาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนี่แหละหลวงพ่อได้ศึกษามาในพระไตรปิฎกแบบอ่านแล้วก็ศึกษาไม่ได้สอบ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 เลี้ยงท่านตอบทดแทนพระคุณของท่านเนี่แหละจากนั้นก็ช่วยทําบุญทําทานช่วยสรพรพสัตว์ทั้งหลายทําบุญทําทานในพระพุทธศาสนารักษาศีลก็คือรักษากายว่าจใให้เรียบร้อยรักษาศีลหรักษาศีลนมโมสถรักษาศีลสิบรักษาศีลสองิบเจ็ตามกฎระเบียบของพระจากนั้นเรื่องภาวนาในเรื่องจิตใจเนั้น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 ในเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายลงมือปฏิบัติพวกเราจะรู้จริงเห็น <_ an> จริงอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่าน เ, เคยเดินผ่านมาแล้วรู้มาแล้วนี่นแหละออรู้กับตัวเองเลยนะรู้ที่ใจของตนเองนั่นแหละรู้ทำไม่ใช่รู้ที่ไหนนะไม่ใช่รู้รู้ธรรมดาไม่ใช่รู้ที่สมองนะไม่ใช่จำที่สมองมันรู้ที่ใจมันฝังหลงที่ใจเลยนะรู้ทำมากนะอวันนี้ให้แนวความคิดสาหรับ ศรัทธาญาติโยมลูกหลานต่อนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร